เห็นไหมความเกิดของกายไม่ใช่เกิดในภพเดียวใช่ไหมกายเหล่าเนี้มีความเกิดในกี่ภพกายเหล่าเนี้เกิดในนรกก็ได้เกิดในเปรตก็ได้อสุรกายก็ได้เกิดในเดชานก็ได้กายของมนุษย์ก็ได้กายของเทวดาก็ได้กายของพรหมก็ได้ก็เพราะกรรมเป็นตัวจำแนกให้ภูตรูปเหล่านี้วิจิตแตกต่างกันไปสุดแท้แต่กรรมถ้าดับอวิชชาตันหากรรมเหล่านี้ได้กายจะเกิดในนรกได้ไหมไม่ได้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 แต่ตอนเวลาอาหารดูเธอี่ชวนใจมากเลยนะแต่ยิ่งแบบอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่ายังงย่วยวนชวนให้แหมทําใจไม่ได้เลยนะรักษาอโวนสดไม่ได้ก็เพราะเหตุ น, นี้แล้วอ่างั้นนะถึงรักษาอโวนสดแหมต้องรีบตักตูนมาให้เต็มที่เลยอย่างนี้ น, นะเพราะเดี๋ยวตอนเย็นจะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่ติดใจเป็นที่ติดข้องในในรูปเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอสสาธาของรูป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 ถ้ายกสติปัฏฐานขึ้นมาเป็นตัวอย่างปั๊บเนี่ยองค์มัตอันนั้นแหละเป็นนิยานี่กระทําเป็นธรรมที่นําออกจากรูปถ้าไม่มีโพธิปักขยธรรมอย่างเต็มเปี่ยมแล้วออกจากรูปออกกันได้ไหมเหมือนอย่างว่าไอความติดใจในรูปเนี่ยมันแหมมั น, ม น, มนร้อนแรงมากมันยิ่งกว่านี่ศีลอีกนะนี่ศีลเนี่ยแหมยังพอจ่ายคืนยังพออะไรกันได้อนะ่ะแต่ว่าคนที่จะจ่ายนี่ศีลแม้กระทั่งติดข้องเนี่ยนะอย่างติดนี้ในโลกเนี่ยเอาพูดแบบโล ก, โลกเลยนะ คนติดนี้ก็ติดนี้เรื่องอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องรูปทั้งนั้นแหละติดนี่ในเรื่องรูปแม้กระทั่งจะแก้ <c oughs> ให้หลุดพ้นจากนี่แบบรูปรูปเนี่ยนะก็ยังยังยากแล้วถต่มาติดนี่ทางใจล่ะเอาเอาคุณธรรมอะไรมาชดเชยสติปัญญาเนี่ยจึงเป็นตัวชดเชยความยินดีในรูปเพราะมันก็มีอยู่สองอย่างถ้าปฏิบัติเพื่อวัตถะก็คือตามเพลิดเพลินรูปปฏิบัติเพื่อออกจากวัตถะก็คือปฏิบัติเพื่อความ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 โอ้ยอะไรจะหลอกเข้ารูปไม่มีอีกแล้วแล้วผีหลอกก็มาหาผู้ตุรูปก็คือหาผีมันหลอกแล้วก็แล้วมันจริงอย่างที่ว่านี่มาให้เอาเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นไอเราเห็นเนี่ยเห็นโดยวิปลาสใช่ไหมแต่ไม่ได้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงเอาแล้วจริงแท้ของเขาคืออะไรความจริงแท้ของรูปทุกรูปก็คือชาติติทุก ข, ขาความเกิดขึ้นของรูปทุกรูปความเกิดก็เป็นทุก ความชราของรูปก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วย เ, ยเยบียดเบียนบีบคั้นของรูปแต่และรูปก็เป็นทุกข์ความแตกทำลายของรูปเหล่านั้นก็เป็นทุกรูปเหล่านี้เป็นเหตุแห่งโซกะถ้าเราจะโศกนะเราโศกเรื่องอะไรก็เรื่องรูปอะโสกะปริเพวถ้าจะบน่นก็บ่นเรื่องอะไรก็เรื่องรูปเองนั่นแหละถ้าเราทุกข์กายนี่ก็ะเพาะอะไรก็รูปเองแหละเสียใจก็เสียใจเรื่องรูป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 อุปายาตก็เพระรูปเราบอกว่าเราเจอของที่เราไม่ชอบเจออะไรก็เจอรูปพระท่าจากของที่เราชอบที่สุดก็คือพระท่าจากอะไรก็พระท่าจากรูปปราถนาเราไม่ค่อยสมหวังสักทีก็ปราถนาอะไรก็ปราถนารูปกให้ติดข้องในรูปมากมายขนาดนี้นะแสดงว่าถูกรูปครอบงํำแล้วเนี่ยนะตกอยู่ใต้อํานาจแห่งรูปแล้วเนี่ยนะก็คิดแต่ปฏิวัติบ้างนยเนี่ย อันะก็คิดจะปฏิวัแล้วคิดจะก่อการกรบฏแล้วใช่ไหมกบฏรูปแล้วมันะนะนะไม่พักดีต่อรูปแล้วนะพักดีต่อรูปขนาดไหนก็ไม่เห็นได้ดิบได้ดีเลยนะก็รู้แล้วว่าทําอย่างไรหนอนะจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดแล้วก็ดับรูปโอ้ยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ใช่ไหมมีสาระเนี่ยนะนะนะ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 ยอมรับโดยสามัญญสาสํานึกโดยโดยสัญญาของเราแบบเข้าใจแท้ๆเลยว่าเมื่อเห็นรูปปั๊ชาติชรา ม, มรณะโสกาปริเทวะทุกโธมนัสและอุปายาตอัปโยคกอสัมปโยคค่าทุกขวิปโยคทุกยะปราถนาไม่สมหวังก็คือทุกขแล้วก็ต้องยอมรับสภาพแบบนี้โดยสามัญญสาสํานึกแท้จริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆถามว่าเราพร้อมจะคิดแบบนี้ไหม พร้อมที่จะมีสามัญยสํานึกจริงๆแบบนี้ไหมแต่จริงๆแล้วลึกๆจริงๆเราไม่มีสามัญยสํานึกอันนี้นะเอ้าจริงๆนะจริงๆสามัญยสํานึกที่แท้จริงเราไม่คิดความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกดูจากอะไรไหยโอ้ดูเด็กน่ารักดีน <laughs> ะดูเด็กน่ารักดีเลคิดเนี้ยเออคือถ้าคิดถึงคําสอนได้เมื่ อ, อไหร่นั่นแหละคือเราต้องแยกให้ออกว่าพื้นพื้นเพความคิดแท้ๆของเรานี่คืออะไร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 เห็นผู้ใดตามเพลิดเพลินรูปผู้นั้นห่างนิพพานผู้ใดตามเบื่อห น, น่ายนคลายกำหนัดในรูปก็เป็นผู้ที่ใกล้นิพพานนั้นจริงๆตัวปฏิบัติตกลองคืออะไรกันแน่